ไตรปีดกภาษาไทยฉบับมหาจุลาลงกรราชวิเทียาลายัยเล่มที่สิบเก้าพระสุตันตปีดกสังยุตตนิกายมหาวารวักพระสุตันตปีดก สังยุตตนิายมหาวารวัตขอนอบน้อนพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งมักคสังยุตหนึ่งอวิชาวัคหมวดว่าด้วยอวิชชาหนึ่งอวิชชาสูตรว่าด้วยอวิชชาข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้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 เป็นประธานแห่งการเข้าถึงอกุสนธรรมทั้งหลายอาหิริกะความไม่ละอายบาปอาโนตปะความไม่เกรงกลัวบาปก็มีตามมาด้วย 1. ผู้มีอวิชชาไม่เห็นแจ้งย่อมมีมิชาทิฐิเห็นผิด 2. ผู้มีมิชาทิฐิย่อมมีมิชาสังคับปะดำริผิด 3. ผู้มีมิชาสังกับปะย่อมมีมิชาวาจาเจรจาผิด 4. ผู้มีมิจฉาวาจาย่อมมีมิจฉากรรมมันตะกระทำผิด 5. ผู้มีมิจฉากรรมมันตะย่อมมีมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพผิด 6. ผู้มีมิจฉาอาชีวะย่อมมีมิจฉาวายามะพยายามผิด 7. ผู้มีมิจฉาวายามะย่อมมีมิจฉาสติระลึกผิด 8. ผู้มีมิจฉาสติย่อมมีมิจฉาสมาธิ ตั้งจิตมั่นผิดภิกษุทั้งหลายวิชาความรู้แจ้งเป็นประธานแห่งการเข้าถึงกุศลธรรมทั้งหลายฮิริความละอายบาปและโอตปะความเกรงกลัวบาปก็มีตามมาด้วยหนึ่งผู้มีวิชาเห็นแจ้งย่อมมีสัมมาทิชฌ์เห็นชอบสองผู้มีสัมมาทิชฌ์ย่อมมีสัมมาสังกัปปะดาริชอบ 3. ผู้มีสัมมาสังกัปปะย่อมมีสัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. ผู้มีสัมมาวาจาย่อมมีสัมมากรรมันตกระทําชอบ 5. ผู้มีสัมมากรรมันตะย่อมมีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6. ผู้มีสัมมาอาชีวะย่อมมีสัมมาวายามะพยายามชอบ7 ผู้มีสัมมาวายามะย่อมมีสัมมาสติระลึกชอบ 8. ผู้มีสัมมาสติย่อมมีสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบอวิชชาสูตรที่หนึ่งจบ อุปัฏสูตรว่าด้วยความเป็นผู้มีมิตรดีเป็นพรหมจรรย์กึ่งหนึ่งข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิคมของเจ้าศักยะชื่อว่าศักระแควนสักกะครั้งนั้นแลท่านพระอานน์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นพรหมจรรย์กึ่งหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นอานน์อย่ากล่าวอย่างนั้นอาโนนที่จริงความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวอานน์ ภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจักเจริญอริยมรกมีองค์ 8, ทำอริยมรกมีองค์8ให้มากภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเจริญอริยมรกมีองค์ 8, ทำอริยมรกมีองค์8ให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวิันนี้ 1. เจริญสัมมาทิิอันอาศัยวิเวกความสงข์ อาศัยวิราคะความคลายกำหนัดอาศัยนิโรธความดับน้อมไปในโวสักคะความสละ 2. จะเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกและถึง 3. เจริญสัมมาวาจา 4. เจริญสัมมากัมมันตะ 5. เจริญสัมมาอาชีวะ 6. เจริญสัมมาวายามะ 7. เจริญสัมมาสติ เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักขะภิกษุผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเจริญอริยมัติมีองค์8ปดทำอาริยมัติมีองค์8ดให้มากอย่างนี้แลอันหนึ่งข้อที่ว่าความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวนั้น พึงทราบโดยปริยายนี้ด้วยว่าเพราะอาศัยเราผู้เป็นมิตีเราสัตว์ผู้มีชาติความเกิดเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากชาติผู้มีชาาความแก่เป็นธรรมดาย่อมพ้นจากชาาผู้มีมรณะความตายเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากมรณะผู้มีโศกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่่มครวนทุกความทุกข์กาย โทมนัสความทุกข์ใจและอุปายาตความคับแค้นใจเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตอานนท์ข้อที่ว่าความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวนั้นพึงทราบโดยปริยายนี้แหลอุปัฏฐทสูตรที่สองจบ สารีปุตตะสูตรว่าด้วยพระสารีบุตรเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียว พระผู้มีพระภาคตรัสว่าถูกละถูกละสารีบุตรความเป็นผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดสารีบุตรภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีพึงหวังข้อนี้ได้ว่าจากเจริญอริยมัชมีองค์8ปดทำอริยมัชมีองค์8ดให้มากภิกษุผู้มีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเจริญอาริยมัชมีองค์แ ทำอริยมรรคมีองค์8ดให้มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. จเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปนิโสดสักขะละถึง 8. จเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปนิโสดสักคะ ภิกษุผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเจริญอริยามัชมีองค์8ปดทำอริยามัชมีองค์8ดให้มากอย่างนี้แลสารีบุตรอนหนึ่งข้อที่ว่าความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดนั้นพึงทราบโดยปริยายนี้ด้วยว่าเพราะอาศัยเราผู้เป็นมิตร ด, ดีเราสัตว์ผู้มีชาติเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากชาติ ผู้มีชาาเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากชาาผู้มีมรณะเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากมรณะผู้มีโซกะปริเทวะทุก์โทมนัตและอุปายาตเป็นธรรมดาย่อมพ้นจากโซกะปริเทวะทุก์โทมนัตและอุปายาตสารีบุตรข้อที่ว่าความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดนั้น พึงทราบโดยปริยายนี้แลสารีปุตสูตรที่สจบ 4. ชานุโสณิพรามณสูตรว่าด้วยชานุโสณิพรามเรื่องเกิดขึ้นยีกรุงสาวัตถี ครั้นในเวลาเช้าท่านพระอาณน์ครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวอนเข้าไปบินทบาทยังกรุงสาวัตถีได้เห็นพราหม์ชื่อชานุโสณิออกจากกรงสาวัตถีด้วยรถเทียมด้วยม้าขาวล้วนในว่าม้าที่เทียมเป็นม้าขาวเครื่องประดับขาวตัวรถขาวประทุนขาวเชือกขาวด้ามประตักขาวร่มขาวผ้าโพกขาวผ้านุ่งขาว รองเท้าขาวและพัดวาละวีชนีพัดหรือแสกขนจจมรีก็ขาวชนทั้งหลายเห็นท่านแล้วพากันพูดอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญยานประเสริฐหนอรูปของยานก็ประเสริฐหนอต่อมาท่านพระอานน์เที่ยวบินทบาทในกรุงสาวัตถีกลับจากบินทบาทภายหลังฉันพัฒหารเสร็จแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประธานวโรกาสในเวลาเช้าข้าพระองค์ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรงสาวัตถีได้เห็นชานุสโณนิพรามออกจากกรงสาวัตถีด้วยรถเทียมด้วยม้าขาวล้วนในว่าม้าที่เทียมเป็นม้าขาว เครื่องประดับขาวตัวรถขาวประทุนขาวเชือกขาวด้ามประตักขาวร่มขาวผ้าโพกขาวผ้านุ่งขาวรองเท้าขาวและพัดวาลวีชณีก็ขาวชนทั้งหลายเห็นท่านแล้วพากันพูดว่าท่านผู้เจริญยานประเสริหนอรูปของยานก็ประเสริหนอข่าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์อาทรงบัญญัติยานอันประเสริฐในพระธรรมวินัยนี้ได้หรือหนอพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์อาจบัญญัติได้คำว่ายานอันประเสริฐนั้นเป็นชื่อของอริยมรรคมีองค์แปดนี้เองเรียกว่าพรหมยานบ้างธรรมยานบ้างรถพิชัยสงครามอันยอดเยี่ยมบ้างซัมมาทิฐิที่บุคคลเจริญทาให้มากแล้ว เป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดซัมมาสังกัปปะที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดซัมมาวาจาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดซัมมากรรมันตะที่บุคคลเจริญทาให้มากแล้ว เป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดสัมมาอาชีวะที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดสัมมาวายามะที่บุคคลเจริญทาให้มากแล้วเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดสัมมาสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้ว เป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดซัมมาสมาธิที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดคำว่าญาณอันประเสริฐนั้นเป็นชื่อของอาริยมรรคมีองค์8ดนี้เองเรียกว่าพรหมญาณบ้างธรรมญาณบ้างรถพิชัยสงครามอันยอดเยี่ยมบ้างนั้น พึงทราบโดยปริยายนี้แลพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรณภาสิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่ารถใดมีธรรมคือศรัทธาและปัญญาเป็นแอกทุกเมื่อมีหิริเป็นงอนมีใจเป็นเชือกมีสติเป็นนายสารถีผู้คอยควบคุมรถนี้มีศีลเป็นเครื่องประดับมีฌานเป็นเปลา่า มีความเพียรเป็นล้อมีอุเบกขาเป็นทูกมีความไม่อยากได้เป็นประทุนกุลระบุตรใดมีความไม่พยาบาทมีความไม่เบียดเบียนและมีวิเวกเป็นอาวุธมีความอดทนเป็นเกราะหนังกุลระบุตรนั้นย่อมประพฤติเพื่อความเกษมจากโยคะพรหมยานอันยอดเยี่ยมนี้เกิดแล้วในตนของบุคคลเหล่าใดบุคคลเหล่านั้นเป็นนักปราดมีชัยชนะ ย่อมออกไปจากโลกโดยแท้ชานุโสนิพรามณสูตรที่สจบ5กิมัติยสูตรว่าด้วยคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ของการประพฤติพรหมจรรย์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 พวกท่านอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณโคดมเพื่อประโยชน์อะไรข้าพระองค์ทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วจึงตอบอัญญะดิรฐีปริพาชคเหล่านั้นอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายพวกเราอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกำหนดรู้ทุกข์ข้าพระองค์ทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วตอบอย่างนี้ชื่อว่าผู้ตรงตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว ไม่ชื่อว่ากล่าวตูพระผู้มีพระภาคด้วยคำเท็จหรือชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่มีบ้างหรือที่คำเช่นนั้นและคำที่กล่าวต่อๆกันมาจะเป็นเหตุให้ถูกตำหนิได้พระผู้มีพระภาคตรตัสตอบว่าเอาเถิดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนั้นแล้วตอบอย่างนั้นชื่อว่าพูดตรงตามคาที่เรากล่าวไว้ไม่ชื่อว่า กล่าวตัวเราด้วยคําเท็จชื่อว่ากล่าวแค่อย่างสมเหตุสมผลไม่มีคําเช่นนั้นและคํำที่กล่าวต่อๆกันมาที่จะเป็นเหตุให้ถูกตําหนิได้เพราะเธอทั้งหลายอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ในเราเพื่อกําหนดรู้ทุกข์ภิกษุทั้งหลายถ้าอั ญ, ญะเดรธีปริภาชกพึงถามเธอทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลายมีมัจมีปฏิปทาเพื่อกําหนดรู้ทุกข์นั้นอยู่หรือ เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบอัญญเดรธีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายมีมัคมีปฏิปทาเพื่อกาหนดรู้ทุกนั้นอยู่มัคเป็นอย่างไรปฏิปทาเพื่อกาหนดรู้ทุกนั้นเป็นอย่างไรคืออริยมัคมีองศาดน้แลไดแก่ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธินี้คือมัค นี่คือปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้ทุกภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบอัญญะเดรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้กิมัตติยะสูตรที่ห้าจบ สมมาัญญตระภิขุสูตรว่าด้วยภิษุรูปหนึ่งทูลถามปัญหาสูตรที่หนึ่งเรื่องเกิดขึ้นยกรุ่งสาวัตครั้งนั้นแหลภพิษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าพรหมจันทร์พรหมจันทร์ พรหมจันร์เป็นอย่างไรที่สุดแห่งพรหมจันทร์เป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรตัสตอบว่าภิกษุอริยมรรคมีองค์แนดนแลเป็นพรหมจันทร์ได้แก่หนึ่งสัมมาทิธิและถึง 8. สัมมาส ม, มาธิธรรมเป็นที่สิ้นราคะโทสะและโมหะนี้เป็นที่สุดแห่งพรหมจันทร์ปฐมมัญญะตรพิขุสูตรที่หจบ เจ็ดทุติยะอัญญตระภิกขุสูตรว่าด้วยภิกษุรูปหนึ่งทูลถามปัญหาสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้น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 คำว่าธรรมเป็นที่คำจัดราคะโทสะและโมหะนี้เป็นชื่อของนิพพานธาตุเพราะเหตุนั้นจึงเรียกว่าธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุนั้นได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าอมตะอมตะอมตะเป็นอย่างไรทางที่ถึงอมตะเป็นอย่างไร พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุทมเป็นที่สิ้นราคะโทสะและโมหะนี้เรียกว่าอมะตะอริยมรรคมีองค์แปดนี้แลเป็นทางที่ให้ถึงอมะตะได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิและถึง 8. สัมมาสมาธิทุติยะอัญญัตระภิกขุสูตรที่เจ็ดจบ วิพังคสูตรว่าด้วยการจำแนกอริยมรรคเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงจากจำแนกอริยมรรคมีองค์8ปดแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า ภิกษุทั้งหลายอเรียมักมีองค์8อะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิและถึง 8. สัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรคือความรู้ในทุกความรู้ในทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกความรู้ในทุกขนิโรธความดับทุกความรู้ในทุกขนิโรธาคามมนีปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับทุก นี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไรคือความดำริในเนคขมะการออกจากกามความดำริในอภยาบาทความไม่พยาบาทความดำริในอวิหิงสาการไม่เบียดเบียนนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเป็นอย่างไรคือเจตนาเป็นเหตุเว้นจากมุสาวาทผู้เ ท, ท็จ เจตนาเป็นเหตุเว้นจากปิสุณาวาจาผู้ส่อเสียดเจตนาเป็นเหตุเว้นจากพรุสวาจาพูดคำหยาบเจตนาเป็นเหตุเว้นจากสัมผัปลาปะพูดเพอเจร์นี้เรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากรัมรมันตะเป็นอย่างไรคือเจตนาเป็นเหตุเว้นจากปานาติบาตการฆ่าสัตว์เจตนาเป็นเหตุเว้นจากอธินนาทานการลักทรัพย์ เจตนาเป็นเหตุเว้นจากอพรมจันทร์พุทิกรรมอันเป็นค่าศึกต่อพรหมจันร์นี้เรียกว่าสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละมิชฌาอาชีวะสำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะเป็นอย่างไร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 มุ่งมั่นเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 4. สร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพินโยภาพไพยบู์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วนี้เรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ หพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 3. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้สี่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้นี้เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งังจากกามและอคติธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่2เพราะวิตกวิจารสงบระ ง, งับไปบรรลุทุติยฌานมีความพองไสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ 3. เพราะปีติจางคลายไป ภิกษุมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุข 4. เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมณัสและโทมนัตดับไปก่อนบรรลุจจตุทัฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้เรียกว่า สัมมาสมาธิวิพังกระสูตรที่8จบเก้าสูกระสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยเดือยเรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่ดือยข้าวสาลีหรือด้วยข้าวเหนียวที่บุคคลตั้งไว้ไม่ตรงจากตํามือหรือเท้าที่เปกระทบเข้าหรือทำให้เลือดออกข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตั้งดือยข้าวไว้ไม่ตรงแม้ฉันใดเป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุรูปนั้นมีทิฏฐิที่ตั้งไว้ผิดมีมรคภาวนาที่ตั้งไว้ผิด จากทำลายอาวิชาให้วิชาเกิดขึ้นทำนิพพานให้แจ้งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตั้งทิฐิไว้ผิดชั้นนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายเป็นไปได้ที่เดือยข้าวสาลีหรือเดือยข้าวเหนียวที่บุคคลตั้งไว้ตรงจากตามมือหรือเท้าที่ไปกระทบเข้าหรือทำให้เลือดออกข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตั้งเดือยข้าวไวตรงแม้ฉันใด เป็นไปได้ที่ภิกษุรูปนั้นมีทิฏฐิที่ตั้งไว้ถูกมีมรรคภาวนาที่ตั้งไว้ถูกจากทำลายอวิชชาให้วิชาเกิดขึ้นทำนิพพานให้แจ้งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะตั้งทิฏฐิไว้ถูกชั้นนั้นเหมือนกันภิกษุมีทิฏฐิที่ตั้งไว้ถูกมีมรรคภาวนาที่ตั้งไว้ถูกย่อมทำลายอวิชชาให้วิชาเกิดขึ้นทานิพพานให้แจ้งอย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิยวาายวขขเามมาวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสัก ข, ขะละถึง 8. เจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะภิกษุทั้งหลายภิกษุมีทิฏฐิที่ตั้งไว้ถูกมีมรรคภาวนาที่ตั้งไว้ถูก ย่อมทำลายอาวิชาให้วิชาเกิดขึ้นทำนิพพานให้แจ้งเป็นอย่างนี้แลสู้กะสูตรที่เก้าจบสิบนันทิยะสูตรว่าด้วย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 ย่อมไม่ถึงนิพพานมีนิพพานเป็นเบื้องหน้ามีนิพพานเป็นที่สุดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่านันทิยะทำแปดประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมไม่ถึงนิพพานมีนิพพานเป็นเบื้องหน้ามีนิพพานเป็นที่สุดทำแปดประการอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึง8สัมมาสมาธิ นันทยะท่านแปดประการนี้แลที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมให้ถึงนิพพานมีนิพพานเป็นเบื้องหน้ามีนิพพานเป็นที่สุดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วนันทิยะปริพาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพระพาสิทธิของท่านพระโคดมชัดเจนไเร่ยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดม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 ขอท่านพระโคโดมจงทรงจำค่าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตนันทิยสูตรที่สิบจบอวิชาวักที่หนึ่งจบ รวมพระสูตรที่มีในวัดนี้คือ 1. อวิชชาสูตร 2. อุปัฏฐสูตร 3. สารีปุตตะสูตร 4. ชานวิโสนิพพานสูตร 5. กิมัติยะสูตร 6. ปฐมอัญญตระพิขุสูตร 7. ทุติยอัญญตระพิขุสูตร 8. วิพังคสูตร เสูกะสูตร 10. นันทียสูตร 2. วิหารวักหมวดว่าด้วยวิหารธรรม 1. ปฐมมวิหารสูตดว่าด้วยวิหารธรรมสูตรที่หนึ่ง เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราปรารถนาจะหลีกเล้นสักครึ่งเดือนใครๆอย่าเข้าไปหาเรายกเว้นภิกษุผู้นำอาหารบินตาบัดเข้าไปให้รูปเดียวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดํารัสแล้วในครึ่งเดือนนี้จึงไม่มีใครเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเลยยกเว้นภิกษุผู้นำอาหารบิณตบาตไปทูลถวายรูปเดียว ครั้นครึ่งเดือนนั้นผ่านไปพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรานั้นแรกตรัสรู้ได้อยู่ด้วยส่วนแห่งวิหารธรรมธรรมเป็นเครื่องอยู่รู้ชัดอย่างนี้ว่าเพราะมิชาติทิฏฐิเป็นปัจจัยความเสวยอารมณ์จึงมีเพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยความเสวยอารมณ์จึงมี ละถึงเพราะมิชาสมาธิเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีเพราะสัมมาสมาธิเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีเพราะฉันทะเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีเพราะวิตกเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีเพราะสัญญาเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีเพราะฉันทะวิตตกและสัญญาเป็นธรรมไม่สงบเป็นปัจจัย ความสวยอารมณ์จึงมีเพราะฉันทะวิตกและสัญญาเป็นธรรมสงบเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีความพยายามเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุมีอยู่แต่เพราะเมื่อยังไม่ได้บรรลุฐานะนั้นเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีปฐมวิหารสูตรที่หนึ่งจบ 2. ทุติยวิหารสูตรว่าด้วยวิหารธรรมสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเราปรารถนาจะหลีกเล่นตลอดสามเดือนใครๆอย่าเข้าไปหาเรายกเว้นภิกษุผู้นำอาหารบินฑบาทเข้าไปให้รูปเดียวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว ในสามเดือนนี้จึงไม่มีใครเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเลยยกเว้นภิกษุผู้นาอาหารบิณฑบาตเข้าไปทูลถวายรูปเดียวครั้นสมเดือนนั้นผ่านไปพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเร้นแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรานั้นแรกตรัสรู้ได้อยู่ด้วยส่วนแห่งวิหารธรรมรู้ชัดอย่างนี้ว่า เพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีเพราะมิจฉาทิฏฐิเป็นธรรมสงบเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีเพราะสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีเพราะสัมมาทิฏฐิเป็นธรรมสงบเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมีละถึงเพราะมิจฉาสมาธิเป็นปัจจัยความสวยอารมณ์จึงมี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 เจคสูตรว่าด้วยองคุณของพระเจคะ่ะเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวถีครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าพระเจคะพระเจคะด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนาภิกษุจึงชื่อว่าเป็นพระเจคะ พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยสัมมาทิฐิอันเป็นของพระเสขะและถึงประกอบด้วยสัมมาสมาธิอันเป็นของพระเสขะด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงชื่อว่าเป็นพระเสขะเสขสูตรที่สาจบ